Book 2 62 6หกสิบสองค i x t y two การตั้งคำถามหนึ่งยน l ย r นนักเรียนเรียนมากไหม l ่ r e r e no l e v e กเรียไม่พวกเขาเรียนน้อยไม่ด e l ่ r e ร l i t ลตถามสปอเรคุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมสปอรด du o f t เ l ล r า r e n ไม่ค่ะดิฉันถามท่านไม่บ่อย ไ e ่ฉันสั่ง a ขาไม่ค่อยบ t อยตอบกลับสวัสดีช่วยตอบกลับด้วยค่ะเวนลิกส์สวัสดีดิฉันตอบกลับยายสวัสดงานจ็อ เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมฮอลล์ร์ฮันพออ็อใช่ค่ะเขากำลังทำงานอยู่ยฮพอออมาคมมคุณจะมาไหมคมเดค่ะ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ย a re u, re u ja, vi k o m m e อ snart อยู่บูคุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะ Bor du i b บ r l i ลินค่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลินยาย้ายบู i ีเบอลิน